ได้เล่าสภาวะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์เห็นโพธิอยู่แล้วนะครับมีเมล็ดพันธุ์เนโพธิอยู่แล้วทํำยังไงจึงจะทําให้ปรากฏเกิดขึ้นก็ถ้าปรากฏเกิดขึ้นเทียงก็จะส่องเองอัตธรรมะก็สว่างเองอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับอยู่ในตัวของทุกคนเป็นประสบการณ์ของพระอาจารย์นะครับที่ได้รับโดยตรงจากหลวงพ่อ นัศิลปะการตีความทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมอยู่ทีนี้ถ้าใครเข้าถึงแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อท่านได้ตีความผมช่วงแรกที่ผมปฏิบัติธรรมผมไปซึ้งนะครับซึ้งกับการตีความของครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศเพราะว่าชีวิตผมก็เคยอุปสมบทมาตั้งสิบแปดปีแต่บทมาสิบแปดปีขอสารภาพต่อหน้าท่านทั้งหลายลว่าไม่เคยได้อะไรนะครับได้แต่ปริญญาตรี แต่พอไปอยู่วัดเจ็ดวันตามแนวพระองค์พระเทียนนมันพลิกชีวิตใหม่ทั้งหมดจากที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะครับจากที่ไม่เคยเห็นก็ ไ, ได้เคยเห็นแล้วก็ได้นํามาสู่สภาวะในปัจจุบันนี้ก็ซึ่มีแต่ความสุขนะครับความสุขที่ถ้ามาพิจารณาโดยปัจจุบันเนี่ยความทุกข์แทบจะหายไปตั้งแต่ที่ปฏิบัติตามแนวพระองค์พระเทียนตั้งแต่เก แสงสว่างก็ที่กลางจิตแล้วเนยังนั่งคุยแล้วไมันจนเศ้านะปีหนึ่งทําไมมันเร็วจังเดี๋ยวนี้โอก็เราเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดสิบลื้นเศร้าขึ้นสิ่งหนอเป็นข้าวหน่อยดังนั้นที่พระอาจารย์ท่านพูดอย่งนี้อารมณ์รูปนามเป็นเรื่องที่สําคัญท่านญาติธรรมทุกท่านครับเบื้องต้นของการที่จะสร้างสังคมประเทศตรงที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องพูดเรื่องของอารมณ์รูปนามเนีเป็นเบื้องต้นของการ แนื่องจการปฏิบัติจะทําอะไรให้เกิดขึ้นก็แล้วแต่ผมมานั่งพูดกวนแล้วว่าก้าวแรกเลยก็คือการทําอารมณ์รูปนามให้ปรากฏเกิดขึ้นจะกี่วันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแนวทางของหลวงพเทียนก็ยังยืนยันย้ําว่าท่านสรุปทฤษฎีนี้เป็นจริงๆรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างนะครับคำ ท, ที่มีอุปการะมากที่สุดต่อชีวิตก็คือการรู้สึกตัวนี่แหละครับทําต่อเนื่องต่อเนื่อง ก็เห็นญาติธรรมไม่แน่ใจว่าจะนั่งวิเคราะห์อย่างไรเห็นบางท่านยิ่งนะครับไม่เห็นท่านเคลื่อนเลยถ้าท่านจะจะ็บเกี่ยนอิทิยาบทก็ตามอธิยาใสนะครับดูการเคลื่อนให้รู้สึกตัวนะครับหลวงปู่ท่านเคใช้คำว่าหูซื่อดูซื่อเคลื่อนไวหวให้รู้สึกตัวเคลื่อนบ้างนะครับอย่าอย่าจมนะครับต้องเคลื่อนไหวบ้างนะครับอ่ถามว่า ต้องเป็นปัญญาของเราด้วยนะว่าครั้งมันปวดเราจะไปเพ่งอย่างเดียวกไม่ได้ต้องเปลี่ยนริยะบวดบ้างนะครับขยับบ้างนะครับอันนี้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติเพื่อนก็จะบอกสอนอย่างนั้นเพราะบองข้า้งเราติดความความสงบเทียนทรรมธรรมสว่างที่เกิดขึ้นผมได้ยินได้ฟังหลวงหลวงพ่อไปสานะครับหลวงพี่ไปสาย ม, มานาน ท่านไปที่สกลนครเมื่อสมกันละร้อยสามสิบเจ็ดหรืสาสบแปดไปบรรยายให้นักศึกษาฟังและนักศึกษาที่ฟังการบรรยายเขาก็ไปแสวงหาการปฏิบัติธรรมก็มีนักศึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งไปหาปฏิบัติธรรมเองเพื เ, เอนไปเจอวัดที่หลกตาท่านเมตตาอนุเคราะห์สมคบนักศึกษาเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดการรู้แจ้ง นักศึกษาพวกนี้จะเป็นนักศึกษานอกรีตนะครับคือไม่ได้อยู่ในกรอบคือเขาจะทํากิจกรรมตามแนวความเชื่อแนวความคิดของเขาเขาศึกษาอิสระเขาเรียกว่าโปรแกรมเด็กหักถิ่นนะครับเขาจะทำกิจกรรมของเขาเอาทีนี่เราไปปฏิบัติธรรมอันนี้สงที่หลวงพระอาจารย์ไปสารไปจุดไว้ที่สกลนครแล้วไปจุดต่อให้เด็กเด็กเข้าไปปฏิบัติเด็กมาชวนผมเข้าวัดครับนักศึกษามาชวนอาจารย์เข้าวัด ผมเชื่อว่าท่านพระอาจารย์สุทติศาสตร์ที่ท่านได้ทางานเพื่อพระศาสนาตามแนวของหลวงพี่เปี๊สารซึ่งท่านเป็นนักวิชาการที่อิสระนะครับที่หลากหลายที่ถ้าท่านใดสนใจแล้วก็จะเห็นยุติการของหลวงหลวงพี่เปี๊สารนะครับได้รับความสนใจต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการได้หาเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะครับ เราจะพัฒนาสังคมแล้วเราจะส่งทางสว่างให้กับสังคมได้อย่างไรขออนุญาตนมิมลท่านอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ให้ญาติธรรมทุกท่านได้รับฟังครับนิมมลครับขอคารวะองคุเทียนครับขอโ อ, อากาสธิบานชันทุกรูปแล้วก็จะได้ในธรรมญาติธรรมทุกคนในในส่วนตัวผนอาจจะ เป็นวิทยากรที่ไม่ได้เจอนลงปูเทียนเนอะพราะหลวู่ตอนท่านมรณะภาพก็ตอนนั้นเพิ่งอายุสิบหัวก <c> ็ <oughs> แต่ที่ได้รับรู้นี่หลองปูเทียนก็เป็นความบังเอิญเป็นความบังเอิญเพราะอะไรเราเป็นคนรจภูมิเรา เ, เรียนหนังสือแล้วก็ได้ยิน่เสียงของพระอาจารย์เทสาร รู้ว่าพระอาจารยดิสารอยู่ที่วัดป่าสุปโตอยู่ไม่ไกลบ้านเราเท่าไหรออ่พอเราเรียนจบเราก็อยากจะบวชก็เลยคิดว่าจะบวชวัดป่าสุปโตเนี่แหล ะ, ะก็มีพระอาจารดิสารอยู่แต่ก็รู้ขคร่าวๆว่าพระอาจารยดิสารน่าจะมีอาจารย์รูปหนึ่งคือหลวงพ่อคองเขียนแต่ท่านเป็นใครไม่รู้จักหรอกตอนจะเรีจนบวชก็ไปให้พ่อแม่ข้าพุทธศาสน์หลวงพ่อก็ไม่เจออาจารย์ดิสารเครือารรมของพก็ เราอยู่วับปาสุกโตเนี่ยแหละออธรรมชาติดีเราดอดอกตาชอบเขาจะไม่รู้ว่าเขาก็จะแบบแบบไหนพอไปบวชแล้วก็ <c oughs> จะอยู่ที่วัดตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยอยู่วัดตัวขอทองพราจารนิสานก็ไม่เคยอยู่มีจิติมนมนจิตพระอยู่ไม่ิจิรูปครับคล้ายอไม่กี่ิรูปไม่รู้ว่าเขาไปจะแบบแบบไหนเราเคยทําแบบนั่งดูลมหายใจนั่งหลับตาพอส่วนหนึ่งทำวัดเด็ก ถ้าไม่มีใเทศก็ฉันบอกให้ปฏิบัติทากันเองเราก็นั่งหลับตาจนแบบนั้นอ่ะพอถึงเวลาครึ่งชั่วโมงก็บอกเออสมควรเกลียดดากรับพร้อมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนมีอยู่วันนึ่งอยู่วัดได้เกือบประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ก็คุณก็หลับตายาวครึ่งชั่วโมงไม่ดืมตาอีกครั้งก็ดึมตามาเห็นเพื่อนข้างๆให้เขานั่งยกมือสร้างจําหัดไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าสร้างจําหวด ต่รู้แต่ว่าพระรูปนี้แปลมกมันยกลงยกมือแบบนี้ทำไมสงสัยจะเทียมหรือเปล่าอันนี้เราคิดในใจเพราะไม่รู้ว่านิีการแบบนี้มีได้เหรอในการปฏิบัติธรรมก็เห็นแค่นั้นก่อนก็ไม่สนใจก็หลับตาภาวนาไปแต่พอมีวันหนึ่งก็ท่าอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็ให้หนังสือธรรม ะ, อะของหลวงปู่เทียนที่ว่าธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกัน ก็ต้องก็รู้จักหลวงก็เพียงจากหนังสือนะครับรู้จักหนังสือก็อ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเออคำสอนของท่านมันมันโดนใจเทพธวรมโดนใจเราไม่รู้หรอกท่านนี้ไม่ได้พูดเหมือนุรูบาอาจารย์ทุกคนที่เราไปอ่านแบบคล้ายๆไม่ไ้พูดจากทางทฤษฎีนะแต่ท่านพูดแบบเป็นสภาวะธรรมะของเราเอยแล้วจู่ก็โดนใจก็เลยเกิดความสนใจด้านหลังก็นต้องมีใช่ไหมฮะ ห น, น, นังสือมพูดเตรียนทุกแทบทุกเร่มก็จะมีลูกแดดแสงยกมือสิบสี่จังหวัดกับผมเองก็ไม่ได้มีพระท่านสอนยกมือแบบไหนเราก็ยกมือตามหนังสือ น, นั่นแหละก็ยก ม, มือไปก็สงสัยไปมันใช่หรือเปล่านะาะก็เราเคยดูลองหายใจนะเขาว่าผูเจ้าทําแบบนั้นแต่หลวงปู่ที่นั่นเลยสอนยกมือทั้งจังหวัดไอ้ความที่เราเป็นนักศึกษามันก็จุดก ำ, ำลนะังกำลังนาะ เราก็ใช้วิธีการของแบบที่เราไปศึกษานั่นแหละต้องไปเทียบเทียงกับตำราตำราไหนแหละดีที่สุดไปเกิดตักระติดอกสิไปดูอะไรในหมดสติปัฏฐานเป็นแบบไหนอ๋อก็ไปดูเห็นอ๋อสติปัฏฐานอ่ดูลมหายใจก็แบบห น, น, นึ่งยืนไปนั่งนอนก็แบบหนึง่งอ๋ออันนี้สังกัดชิญยะปภะออพอมีทฤษฎีมาม า, มาเทียบเทียงเออใครยอมรับมาสักครึ่งหนึ่ง <c oughs> ยอมรับไหน ยกมือสลับกับโดยลมหายใจก็ทําไปเลรืะอยๆยกมือบ้างดูลมหายใจบ้างะก็ทำไปเจนถ้าก็เหมือนที่หลวงปู่เทียนต้องบอกจริงๆแล้วธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้ารู้สิงที่เป็นธรรมะมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่วิธียกมือเป็นวิธีหนึ่งดูลมหายใจเป็นวิธีหนึ่งมันเป็นสิ่งแค่รูปแบบภายนอกเราจะไปจิตที่ตั้แก่ภายนอกถ้าเราทําแล้ว มาเกิดความรู้ตื่นแบบบางตัวใจรู้สึกตัวอันนั่นแหละเป็นของแท้ที่จริงขอพทษนะครับผมคิดว่าหลวปู่เทียนไม่ได้สอนวิธียกมือสร้างจังหวะแต่หลวงปู่เทียนสอนวิธีให้เรารู้สึกตัวการยกมือสร้างจังะเป็นสิีงแค่รูปแบบแต่หัวใจที่แท้คือการทำความรู้สึกตัวให้เห็นตัวเองเห็นกายที่แท้จริงะเห็นใจที่แท้จริงอันนี้คือสิ่งที่หลวงปู่ หลวงปู่ทิพนัทสอนแต่ท่านทําโดยการยกมือทั้งจังหวะแล้วเห็นท่านไม่ได้ทำโดยการนั่งนิ่งๆแล้วเห็นท่านก็เลยมาสอนพวกเราแบบนั้นซึ่งถ้าเราก็จับหลับตรงนีไ้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วหลวงปู่ท่านสอนที่การทํำฟองรู้สึกตัวถ้าเราทำฟองรู้สึก ต, ตัวได้อ่อจะยกมือจะเดินจะนั่งดูลมหายใจถ้ารู้สึกตัวได้อ น, นั้นมันถูกนะแต่ถ้าจะยกมือแล้วอ่าไม่รู้สึกตัวจะเพ่งมือหรือว่าตี จ้องหรือว่าใจรอยไปอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ชื่อว่าเป็นการทำความตื่นตัวใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงพอเข้าใจนี่แต่ผมก็รู้จักหลวงพ่อเทียนผ่านการอ่านแต่บคุคคลที่ทำให้ได้เห็นหลวงพ่อเทียนชัดขึ้นก็ก็คือหลวงพ่อคาเขียนนะรู้จักหลวงพ่อคาเขียนก็เห็นท่านทำอะไรได้ฟังท่านเทศ เราก็ได้อยู่ใกล้ๆทิศท่านก็ดูว่าท่านมีจิตยาแา บ, บไหนเป็นรูปปิดหลวงพ่อเทียนตั้งแต่รุ่นต้นๆแล้วท่านเย็นให้เราได้สัมผัสเราก็รับรู้คําสอนที่เป็นธรรมะจากหลวงพ่อทอมเทียนมีหลายสิงที่รู้สึกสะกิดใจด้วยความที่เราเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาชอบคิดชอบศึกษาจะมีคบางครั้งหลวง้องเขียนก็จะโดนมากท่านบอกว่าอะไร การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาถูกไม่เอาผิดใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยนันจะมีต้องเอาเหตุเอาผลอันนี้ถูกอันนี้ผิดคําถามตัวนี้มันเกิดขึ้นในใจเอ๊ไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เถูกไม่เอาผิดเนี่ยมันเป็นแบบไหนบางวันก็คิดหาคำตอบเหมือนกันนะ่คิดหาคำตอบคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่พอเรา ไม่เอาเหตนไม่ผลจริงตื่อหยุดคิดนี่เองนะแค่ทำความรู้สึกตัวซื่อธรรมดานะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้เท่าทันใจที่มันจะคิดอีกแล้วเนี่แหละนี่แะคือการโอ้ไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เถูกไม่เอาผิดแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆที่มันเกิดขึ้ตนตรงนี้มันก็สามารถทําให้เราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเหนที่ของของพ่อเขาเกียนสอนเรื่องตรงนี้ มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองที่ที่ได้รับก็ ว, ว่าเราก็สนใจเรื่องธรรมะองพอของตัวเองได้ตัดสินใจที่จะบวชก็เลยได้ประโยชน์จากตัวเองส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เรียกว่าได้ประโยชน์เพิ่มเติมอีกเพราะว่าก็เป็นโอกาสดีที่ได้อยู่กับส่ว น, นข้อกำเสียนและก็พระอาจารศึกษานซึ่งท่านไม่ได้เด่นแค่เรื่องของการภาวนาแต่ท่านมีอิประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับงานพัฒนาหลายอย่างอย่าหวงพอกำเสียน จนจะอยู่ท่านออกไปก็จะเราก็ต่างรือก็เห็น oh, อ้อหลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาไม่ถึงว่าท่านให้ตั้งใจเป็นพระนักพัฒนาแต่ท่านก็ทํางาน พ, พัฒนาหลายอย่างเป็นแม้แต่พระอาจารย์ดุสานี่ก็กเราก็รู้จักอย่างนี้ว่าท่านทํากิจกรรมหรือว่าทํางานเพื่อสังคมหลายอย่างซึ่งมันตรงกับเจดีย์เราเหมือนกันเพราะว่าเราก่อนจะบวชแล้วก็จะใช้ก็ว่าเป็นจะนักกิจกรรมก็ ว, ว่าได้ น, นทำทากิจกรรมหลากหลายเพื่อสังคมอย่างเนี้ยมันก็ตรงเจดี์ เรือเราก็เห็นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติทำด้วยแล้วท่านก็สามารถเอาธรรมะนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยไม่ใช่เอาธรรมะมาใช้แค่ประโยชน์กับตัวเองท่านั้นแต่เอาไปช่วยคนอื่นได้เราอยู่แกล้คิดท่านแล้วก็ช่วยเหลือท่านได้ตามที่กําลังสวามสามารถเร้มีแล้วก็ทำเทนั้นก็ เ, เห็นเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วย่างที่ได้ข้อคิดมากพอเวลาเราแต่ก่อนเราทํากิจกรรมนะเราจะเครียด เียเพาะามันไม่ได้ตังใจเครียดเพราะว่ามันทําไมไม่เกิดคนเปลี่ยนแปลงทักทีหรือบางทีก็เครียดกับเพื่อนลอะแหละไม่ได้ตั้งใจเราทําไปแล้วก็ทุกทําไปแล้วก็เครียดนะทําไปแล้วก็อยากจะไปเรียบร้องจากคนอื่นให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่มีประโยคนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านพูดแล้วสะดุดใจมากท่านบอกว่า <c oughs> อหลวงพ่อนะทํางานมางานอาจจะด๋มเร็วแต่หวงพ่อไม่ด๋ม เ, เร็วเอราวิ่งก็ เออใช่เนาะมันเราเนี่ยล้มเหลวเพราะเราทำแล้วเครียดนะทำแล้วก็ทุกข um, ์แต่จริงหลวงพ่อทําไปงานจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จมันจะอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวเราเองต้องไม่ล้มเหลวไม่ใช่ว่าล้มเหลวมันถึงว่าไม่ใช่กำไรหรือว่ารวยขึ้นไม่ใช่แบบนั้นแต่มันถึงว่าตัวเราจะไม่ทุกข์ทำงานภายนอกเป็นเจียงแค่หน้าที่แต่งานภายในคือการทําใจน่ เป็นงานหลักของเราอันนั้นคนก็เลยคิดว่าเออแบบทํางานจะเป็นงานภายในหรือว่างานที่เหมือนกิจกรรมภายนอกระแต่งงานหลักของเราคือการทําใจให้มีทุกข์นะเราจะเดินจงกรมเราจะยกมือตั้งจังหวะหรือเราจะทํากิจกรรมต่างๆเราจะทํำตำแหน่งให้ใจเราไม่ทุกข์อันนี้เราเกนว่าต้องเป็นประโยชน์มากหรืออีกแท้ที่จริงแล้ววิธีการปฏิบัดิหลวงพ่อเทียนจริงแล้วก็มันใช้ได้ผลมากเพราะว่าอะไร การเคลื่อนไหวการสร้างจังหวัดก็คือการที่เราจะทาอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถทำได้ใช่ไหมฮะในรูปแบบเราก็ทําได้นอกรูปแบบก็ยิ่งทำได้ง่ายซึ่งมันเหมาะมากในการที่เรียกว่าเอาไปใช้ในชีวิประจำวันให้ใครสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบได้ตลอดเวลาใช่ไหมโดยเพราะก็เราเป็นหลายคนเป็นญาติโยมก็ต้องคำขาดทางานที่เกี่ยวข้องกับทุกคนหรือแม้จะเป็นพระตำหวจในไหนมางทีก็ยังเอ๊ะ ต่นเดิมเนี่ยเราต้คิดว่าเป็นพักอยู่ผมไม่ต้องผมไม่ต้องได้ทำอะไรแต่พออยู่สุกโตนี่งานที่วัดก็มีงานข้างนอกก็มีเราก็ต้องทําอะไรหลายอย่างนะถึงต้อเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องอะไรต่างเออที่จริงมันก็มีงานนะงานข้างนอกก็ต้องทําแต่แท้ที่จริงแล้วการประยุกต์การปฏิบัติท้วยกันรู้สึกในกายที่เคลื่อนไหวรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันเอาไปใช้ได้จริงนะเนี่ยก็เห็นเออ การปฏิบัติธรรมเราก็สามารถทําได้ทั้งในรูปแบบแล้วก็ทําได้ทั้งในนอกรูปแบบแต่แท้ที่จรงแล้วการปฏิบัติธรรมก็สามารถเป็นประโยชน์กับตนเองได้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ิแท้ที่จริงแล้วคนที่มีธรรมะยิ่งต้องเอาธรรมะไปบอกคนอื่นไปช่วยสังคมเพราะว่าถ้าคนมีธรรมะแล้วไปกิดตัวอยู่ในป่าไปหนีผู้คนใครจะเป็นคนที่ช่วยเตืบอกต่อล่ะ ผมคิดว่าพระพุเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้ธรรมะเป็นแบบนั้นคุูบาอารก็เหมือนกันเมื่อรู้ธรรมะแล้วก็ไปบอกต่อบหรือหลวงพ่อคำเกี่ยวก็จะบอกจนไปจำนะคล้ายๆแบบรู้แล้วต้องค่อยบอกต่อบบงทีต้องบอกว่าเออเหมือนกับเราเรียนจบประถมนะก็สามารถไปสอนเด็กอนุบาลก็ได้เราเรียนจบมัธยมก็สามารถไปบอกเด็กประถมก็ได้จบมหาลัยก็มาสอนเด็กมัธยมก็ได้ คือไม่ใช่ว่าจะต้องรอทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ค่อจะกลับมาบอกมาสอนแต่แท้จริงแล้วเรารู้ขนาดไหนก็สอ น, น, น, น, น, น, นขนาดนั้นก็สามารถทำได้อันนี้คือสิ่งที่กับผมเองนะไ ด, ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อคงเขียนแจ๊ะแต่จริงหลวมพ่อคงเทียนทาก็ได้เรียนโดยจากหลวงพ่ อ, อเทียนซึ่งเป็นอาจารย์ท่างอีกครั้งหนึ่งก็ข อ, ขอเรียกว่าพูดที่ฟังในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะ ขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นสุขนะครับตั้งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หรือว่ า, อ, าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมใกล้าานนครูบอาอาจารย์จะเหมือนกับว่าเป็นผู้มีบุญนะครับบุญในที่นี้ก็คือว่าได้ไประโยชน์โดยตรงซึ่งมันเป็นความสุขนะครับคําว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนะครับทำปฏิบัติแล้วเกิดความสุขกายสุขใจก็ถือว่าอยู่ใกล้กับเกิดในถิ่นที่เหมาะสมอ ในรอบต่อไปนะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ1หนึ่งชั่วโมงนะครับผมน่าจะให้ญาติธรรมถ้ามีโอกาสนะครับได้แลกเปลี่ยนกับท่านยุทยากรนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ความก้าวหน้านะครับการที่เรามาลำยึกถึงหลวงปู่เทียนเนี่ยคงจะพูดถึงแนวกระสวกการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วจะนำไปรับใช้สังคมเหมือนกับที่ท่านอาจารย์คุีษษ่สากว่าับ ในรอบต่อไปขออนุญาตคุณหมอนะครับผมขออนุญาตแนะนำแต่แนท่านแนะนำนิดหนึงนะครับตอนนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ด้วยภารกิจหน้าที่ของคุณหมอได้นำแนวความรู้เตียมออกสู่สังคมอะไรบ้างครับ